ก็ความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านผูกฟังเทลาไรเสียงธรรมจากมาวิทยาลัยศรีปทุมกาลังนำเสนอวัตถุประมาสูตรมาถึงช่วงที่ ส, สรุปผลซึ่งเกิดขึ้นจากความเปลี่ยนแปลงทางจิตของท่านที่จเจริญปรมิหารทั้งสี่ประการ จะมีความรู้สึกแม่ตากรุณามมติตาเบขาตามสมควรแก่กนณีของสัตว์นั้นๆไม่มีประมาณต่อจากนั้นจิตใจของท่านก็จะมีความประนีตมากยิ่งขึ้นจนรู้ชัดว่าสิ่งนี้มีอยู่สิ่งที่เลวสามมีอยู่ สิ่งที่ประนีตมีอยู่ทำเป็นเครื่องสลัดออกที่ยิ่งแห่งสัญญานี้มีอยู่เมื่อเธอรู้ชัดเช่นนี้จิตยอมหลุดพ้นแม้จากกา ม, มาสวะแม้จากภวาสวะแม้จากอวิชชาสวะเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็มีญาณรู้ว่าหลุดพ้นแล้วรู้ชัดราชาติสิ้นแล้วพรมจันทร์อยู่จุดแล้ว กิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วยิูอื่นพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีดูกรพิสูกน์ทางหลายพิสษุน์นี้เรากล่าวว่าเป็นผู้สงสนานแล้วด้วยเครื่องสนานอันเป็นภายในสงสนานก็คืออาบน้ำนะครชำระล้างก็ตำานองคล้ายๆกับการสกัดสีฉุยวันจากข้างนอก แต่นี่เป็นการชำระล้างจากข้างในและสิ่งที่ถูกชำระล้างออกไปก็คือบรรดาสัพพิเิเลททั้งหลายในที่นี้ก็ทรงยกเอาอุปกิเลส1ิบหดังกล่าวไว้ในตอนต้นและธรรมะที่เป็นเครื่องชำระล้างให้ลองสังเกตว่าแต่ว่าในที่นี้ทรงแสดงพรมิหารสี่ประการ เป็นท่าทีความรู้สึกต่อสิ่งมีชีวิตแต่ริ่มต้นที่จิตประกอบด้วยเมตตาแล้วก็จิตก็จะปรับสภาพตัวเองไปตามความเปลี่ยนแปลงของสัตว์เหล่านั้นคือเมตาาตามีสัตว์ทั่วไปเป็นอารมณ์ทำนองที่กระจัดกิเลสประเภทโทสะกิเลสประเภทราคะออกไป เป็แน่นอนกิเลสประเภทโลภะก็ถูกกจัดออกไปด้วยึงื่อนฟังจะสังเกตว่าใครก็ตามที่เราเพจตาเนี่ยเราพร้อมจะสงเคราะห์นุเคราะห์ช่วยเหลอือคือกูลกับบุคคลเหรานั้นแล้วเราก็ไม่มีความรู้สึกต้องการในทางเพศกับคนเหรานั้นในขณะที่เราไม่โกรธไม่อาคาาพยาบาทคนเหรานั้นองท์ธรรมสำคัญก็คือเมตตา ล้วสภาพจิต ท, ที่เป็นอย่างนี้มันก็ปรับเข้าไปสู่การลดเว้นการละเมิดในศีลในสิขาบททั้งหลายโดยกระบวนการในจิตเองเพรอย่างที่เคยบอกไว้ว่าโลกนี้จริงจริ ง, ร ง, รงก็คือสิ่งมีชีวิตกับไม่มีชีวิตสิ่งมีชีวิตอาจจะเป็นชีวิตแล้วก็เป็นทรัพย์สิ่งไม่มีชีวิตก็เป็นทรัพย์ แตปกติทรัพย์เี๋จะเกิดโลภะสิ่งมีชีวิตจะเกิดราคะจะเกิดโทสะเ๋ยจะเกิดโมหะก็แลกล้งแต่เนื่องจากกิเลสเขามีความเชื่อมโยงถึงกันพอเมื่อดับก็ดับไปด้วยกันกุณามีสัตว์ที่ประสบทุกข์เป็นอารมณ์เกิดขึ้นทำหน้าที่กระจัดมีิหิงษาคือความแยดเบียน แล้วก็จะโศกคือความสุขโมติตามีสัตว์ประสบก่าบยศสรรเสริญสุขเป็นอารมณ์มันเกิดขึ้นทำหน้าที่ก็จะฤทิ์ยาและลองสังเกตว่าถ้าจิตเราไม่ฤทธิ์ยาเนี่ยเ ร, รนนเราไม่โกรธคนนั้นเราไม่โลภอยากได้ของของบุคคล น, นั้น เราไม่มีจิตคิดจะได้อะไรจากเขาเรามีความรู้สึกมุทิตาเพลิดเพลินชื่นชมยินดีในความเจริญก้าวหน้าของเขาเมื่มุทิตามันเกิดขึ้นก็ทำหน้าที่ขจัดอารติคือความมายินดีแล้วก็จะวิสยาคือความวิสยาออกไป ในขณะเดียวกันก็ขจัดความรู้สึกต้องการมีส่วนร่วมมีส่วนแบ่งอันเป็นอาการของโลภะออกไปอุเบกขามีสัตว์ประสบผลกรรมตรงนี้ไอความจริงแล้วก็ทั้งด้านบวกด้านลบหมายความว่ า, าเขาได้รับผลดีมีความสุขมีความยั่งยืนอยู่เราก็มทุทิตากันเขา้าในตอนต้น ทีนี้เมื่อเขาดำรงอยู่อย่างต่อเนื่องเราก็าวางใจเป็นอุเบกขาในกรณีของการกระทบเขาะว่สุผลกรรมเราจะรักหรือชังเข้ามาก่อนก็าาตามแต่ว่ามันเป็นเรื่องนอกวิสยัยปัจจก็จะเกิดอุเบกขาไม่มีความรู้สึกอคติ เรามองเห็นว่าผลเหล่า น, นั้นมันเกิดขึ้นตามกระบวนาการแห่งกรรมดังที่เราศึสาากสาแต่ย่ายกันว่าคนเรามีกรรมเป็นของนตนย่าต้องเป็นผู้รับผลของกรรมมีกรรมเป็กรรมเหมิดมีกร od, มกรมรเป็นเ ผ, ผ่าพันมีกรรมเปที่ย์มังกรใส่ใครทำกรรมอะไรไว้จะดีหรือชั่วก็ตามจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นทีนี้ก็ขึ้นเรื่องใหม่ละว่า สมัยนั้นสุนทริกะรารัฐวาชาพรามนั่งอยู่ไม่ไกลพระผู้มีพระภาคก็แสดงว่าเขาได้ยินด้วยแต่ว่าตั้งใจฟังมากน้อยแค่ไหนถึงใดผมก็ไม่รู้นะฮจึงทูนถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าท่านประโคดมจะเสด็จไปยังน้ำผูกาเพื่อจะสงสนานหรือ นั้นก็แสดงว่าตอนนี้แกยังไม่ได้เป็นูุบะสุกไปเข้าใจว่าการสูงสนานในความหมายของพระพุทธเจ้าเนี่ยคือการชำระล้างบาปในแม่น้ำที่ศักดิ์สิทธิ์บรรดานแม่น้ำที่ถือว่าล้างบาปได้เนี่ยแม่น้ำผูกกาก็เป็นหนึ่งแต่ว่าที่เด่นมากคือแม่น้ำคงคา และสาขาของแม่น้ำคงคาซึ่งพระเจ้าเคยเสด็จไปพบกับคนพวกนี้ซึ่งกำลังอาบน้ำในแม่น้ำโผง ก, กาก็เสด็จแวะเข้าไปแล้วก็สนทนากันแล้วสั่งถามว่าอาบบ้าเพื่ออะไรก็รบอกว่าเพื่อชำระล้างบาป ผู้เจ้ารับสั่งว่าหมายความว่าพออาบนางแล้วบาปจะหมดเลยก็บอกบาปก็จะหมดไปรับสั่งถามว่าหมายความมทุกชีวิตที่ลงไปในแม่น้ําเนี่ยบาปก็จะถูกชำระล้างไปทั้งหมดอย่างนั้นเลยเขาก็กราบทูลมาเป็นอย่างนั้นตบถามว่าถ้าหมดบาปแล้วต่อไปจะเป็นยังไงก็บอกว่าจะตายไปบังเกิดในสุคติ ผู้เจ้ารับสั่งว่าถ้าเป็นอย่างนั้นจริงบรรดาสัตว์น้ำทั้งหลายที่ทเกิดเจริญเติบโตอยู่ในน้ำเนี่ยถ้าน้ำบ้างบาปได้ก็แสดงว่าเขาก็ไม่มีบาปมาเป็นชนี้ก็ตายไปแล้วก็ย่อมาเกิดในสุกติพรนี้ก็เลยงงก็เลยจะเห็นว่าความคิดแนเนี้มันมีเยอะที เราใช้ความเชื่อนําเอาโดยพยายามมองโดยเหตุโดยผลว่าถ้าเป็นอย่างนั้นก็ต้องเป็นอย่างนั้นว่าเป็นอย่างนั้นก็ต้องเป็นอย่างนั้นว่าไม่เป็นอย่างนั้นก็ต้องไม่เป็นอย่างนั้นเพราะมันเป็นเหตุเมื่อมนเกิดผลไอ้ตัวผลเองก็ต้องไม่ขัดแย้งกับเหตุทีนี้เม่เหตุเหมือนกันก็แสดงว่าสับปะรดต้องบริสุทธิ์เหมือนกัน ถ้าลงไปในน้ำผูกกาตอนตสหรัฐอเมริกะปาลต์วาชพรามเนี่ยแกก็เข้าใจว่าในน้ำผูกกาเนี่ยสามารถชําระล้างบาปได้พระพุทธเจ้า ก, ก็ตัดต่อว่าดูก่อนพรามจะมีประโยชน์อะไรด้วยในน้ำผูกกาเล่าในน้ำผูกกาจะทําประโยชน์อะไรได้ รามก็กราบทูลว่าท่านพระโคโดมแม่น้ำเผ่ากาชนเป็นอันมากยอมรับว่าให้ความบริสุทธิ์ได้ท่านพระโคโดมแม่น้ำเผากาชนเป็นมากยอมรับว่าเป็นบุญยิ่งนอนือชนเป็นันมากพากันไปลอยบาปรกรรมที่ตนทํำแล้วแม่น้ำเผ่ากา โดยเหตุนีว่าตัวนี้คือพื้นฐานของความเชื่อต่างๆคือแสดงว่ามีความบริสุทธิ์มนน้าอย่างไรก็มีการปนเปื้อนก็หมายความไม่บริสุทธิ์จริงแล้วก็เป็นบุญมากมันก็แปลกน้ํามันไม่มีเจตนาบุญมันเกิดด้วยเจตนา น้ำไม่เป็นบุญไม่เป็นบาปแต่สะอาดหรือไม่สะอาดมันเป็นได้ด้วยเงื่อนไขตามธรรมชาติหรือว่าคนไปสร้างขึ้นแล้วโดยเฉพาะนี่คือการลอยบาปกรรมน้ำไม่ได้ล้างที่จิตแต่น้ําล้างที่กายแล้วไปบริสุทธิ์ที่จิตมันก็แปลกมันทํานองแค้กระสะผมเราไปสะอาดที่เท้าอะไนี้มันก็แปลก แลั้นคือระบบความเชื่อซึ่งซึ่ ง, งเรามีเยอะในสังคมเนี่ยคนไม่ได้ใช้สติปัญญาเหตุผลในการคิดเลยตกอยู่ในอัธยอมสยบขยอมจำนวนอยู่เยอะเพราะฉะนั้นพระพุทธเาจ้ากิตัดกสุนธิกะพระรัฐวชพรามด้วยประกาถาทั้งหลายว่า คนพามีบาประกรรมมุ่งไปยังแม่น้ำเผากาทาน้มักิกกะแม่น้ำขยาแม่น้ำถึงตริกาแม่น้ำสรปรปฏิรัสสตีภาปยาคและแม่น้ำพาหุมะดีคือแต่ละแห่งแต่ลแห่งเนี่ย ก็ถือว่าสามารถทำสัตว์ผู้ลงไปสงสนานให้เกิดความบริสุทธิ์ได้แักสังว่าแม้นคนเหล่านั้นจะไปในสถานที่นั้นหนึ่งิดก็บริสุทธิ์ไม่ได้แม่น้ำสุนทริกาท่าน้ำปยาคะหรือแม่น้ำเผากาจะทำอะไรได้ จะทำนักราชนผู้มีเวรทำบาปรกรรมหยาบช้านี่กามันเป็นบาปนั้นให้บริสุทธิ์ไม่ได้ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบาปเนี่ยมันเกิดที่จิตจิตใจจิตคนนั้นต้องล้างเองพันธาไม่ต้องการในจิตมีบาปก็อย่ายคิดบาปอย่าพูดบาปอย่าทำบาป แน่นอนมีตัวกระตุ้นในเกิดบาปจากข้างนอกคือพวกวัตถุกรรมทั้งหลายนี่เป็นตัวกระตุ้นในเกิดบาปได้มันอยู่ที่จิตเรากำหนดเรากำหนดให้เกิดกิเลสก็ได้เรากำหนดให้เกิดธรรมะ ก, ก็ได้ยกตัวอย่างว่าวัตถุเป็นที่ตั้งให้เกิดกิเลสแต่ว่าจิตมันยกระดับขึ้นสูงเรากลายเป็นเหตุให้เกิดธรรมะ เล้มันอยู่กับใครอ่ะยรอย่างอย่างนี้อย่างเือไปเจอทรัพย์สินเงินทองของใครที่เขาวางทิ้งเอาไว้มันก็อยู่ในการมองของคน ว, ว่าเรามองด้วยความเมตตาต่อเจ้าของหรือมองด้วยความโลภต่อทรัพย์ ตอในการมองเนี่ยมันเป็นเหตุให้ทำความดีก็ได้ทำความชั่วก็ได้ทรัพย์มันก็อย่าง ก, กลางๆอย่างนั้นนะถ้าเรามองด้วยเมตตาต่อเจ้าของจะเป็นเหตุให้เราทําความดีแต่เรามองด้วยความโลภในทรัพย์ก็เป็นเหตุหเราทําความชั่วเรั่นพวกเรานี้มันจะมีลักษณะอย่างนั้นเขาก็เป็น ก, ากลางๆเขาไม่ดีไม่ชั่วในตัวของเขาเขาเป็นอภิญญากริ การจะเป็นเหตุให้คนทำความดีและความชั่วด้โดยความคิดของคนแนวคิดใจสำระบาปรกรรมเนี่ยมันปรากฏแพร่หลายยุ่งในสังคมได้มากในการบรรยายอบอรมและที่ต่างๆถ้าเปิดโอกาสให้ถามปัญหา จะมีการถามถึงวิธีการชําระล้งลางบาปอยู่มากจะพูดถึงบาปที่ตนได้ทําไปแล้วแล้วก็บอกเขาว่าวิธีล้างบาปนั้นก็คือไม่ต้องล้างคือไม่ไม่ทําความชั่ว่ทําความชั่วด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจแต่ทําไปแล้วเนะี่ยเราไปล้างไม่ได้ เรามีเจตนาไปแล้วมีการกระทำไปแล้วแต่เราก็ครอบครองผลของการกระทำนั้นไปแล้วภารกิจต่อไปก็เป็นเรื่องของวิบาก ค, คือผลที่มันจะให้ถ้าเราไปเสด็จเนี่ยเราต้องไปเสษเหตุตั้งแต่ต้นไปเสษที่ผลไม่ได้แล้ว น, นีรับสั่งว่า มน้ำผูกกาจะทำอะไรได้จะชำระนราชนผู้มีเวณมีกรรมมันหยาบช้าผู้มีกรรมมันเป็นบาปนั้นให้บริสุทธิ์ไม่ได้เลยเป็นการไมเสร็จอย่างเด็ดเดียวนะแต่เราเห็นว่าในแง่ของความรู้สึกซึ่งก่อโดยตัเหาประทานพึงระมองจากหลัก ของการรับรู้โลกด้วยประสาทสัมผัสในกรณีที่การกระทบกัน ร, ระหว่างอายตนะภายในภายนอกเกิดเป็นวิญญาณแล้วเกิดเป็นสัมผัสมันจิตจะกําหนดด้วยความรู้สึกพอใจหรือไม่พอใจแต่มันจะก่อให้เกิดเวทนาคือความสวยอารมณ์เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างไม่ทุกข์ไม่สุขบ้าง แล้วคนันก็เก็บไว้ ใ, ในใจต่อกลายเป็นตัวเวทนากลายเป็นสัญญาที่ทาหน้าที่เขาเรียกว่าบำรุงหรือปรุงแต่งปรุงแต่งจิตแต่เรียกว่าจิตสังขารคือสิ่งปรุงแต่งจิต แล้วก็มีความรู้สึกในลนักษณะเมื่อเป็นเวทนาก็เป็นตัณหานะฮะก็อยากได้อย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็เป็นอุปาทานก็สะสมอยู่ภายในจิตผลความเชื่อในที่บางแห่งว่าถ้ามีปัญหาอย่างนี้มาทําอย่างนี้ก็จะหมดปัญหาผความคิดคิดในแนวสะดกเคราะห์ในการประพรมนมพระพุทธมนตรในด้านอะไรต่างๆน คือมันช่วยในด้านขวัญกำลับบงใจรู้สึกว่าปัญหาตัวใดแก้แล้วแต่ที่จริงมันเป็นระดับขวัญกำลับบงใจเฉยๆผลเมื่อทั้งข่าวต้องเกิดเขาก็ต้องเกิดตอนแต่ละมอง้วยความรู้สึกในกระแสของสังคมที่ประกอบปราวยนาวปราทาน บาคนบางกลุ่มก็มีความรู้สึกปักใจฝังใจว่ า, าสามารถสามารถชำระล้างบาปได้แต่ก็จริงเนี่ยเราก็ไม่เคยตามไปพิสูจน์บุคคนนี้ทโชดอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็ทําพิธีสาราพบบาปทําพิธีล้างบาปอย่างนี้อย่างนี้แล้วกัดต่อไปเนี่ยเขาประสบความทุกข์หรือไม่ประสบปัญหาหรือไป เรามองดูตัวอย่างง่ายๆนะว่าในสังคมที่มีการแชำระล้างบาปได้ก็มีอาัจฉากรรมต่างๆเกิดขึ้นมาแต่คนเหล่านั้นพอประกอบอัจฉากรรมก็ไปสารภาพบาปบาปปนักก็จะหมดแต่ทำไมก็ต้องติดคุกล่ะต้แสดงว่าบาปไม่ได้ชาระล้าง เรือบางทีเราก็พูดถึงการถ่ายถอยบาปของคนนั huh ้นคนนี้มาถ่ายบาปแทนมนุษย์ชาติถามไม่ได้ถ่ายจริงหรือไม่ถ้าหากว่าถ่ายจริงก็แสดงคนรุ่นหลังต้องไม่มีบาปแต่คนรุ่นหลังก็ประสบผลกรรมด้วยการกระทำของตัวเองอยู่ก็หมายความว่าที่มีการถ่ายบาปคราวนั้นก็ไม่ได้ถ่ายจริง คือถ้าได้ถ่ายไปแล้วมันก็ต้องไม่มีแต่การมีเนี่ยชื่อว่าอาจจะถ่ายนะแต่ถ่ายไม่ได้อาจจะทำพิธีถ่ายแต่ว่าถ่ายไม่ได้เพราะการที่คนยังประสบบาปอยู่เนี่ยมันพิสูจน์ว่าการถ่ายบาปมีได้แต่ว่าเกิดผลไม่ได้เพราะการที่พิธีทาพิธีถ่ายบาปนั้นเป็นเรื่องของความเชื่อแต่ผลบาปนั้นเป็นเรื่องของกรรม เกิมความเป็นเจตนาที่บุคคลกระทาลงไปแล้วมันจะต้องเป็นไปตามตามเหตุผลของมันตามเหตุของมันรับสัรงว่าสม บ, บุคคลผู้หมดจดแล้วจะประสบภคุณะเริกทุกเมื่อสมาความมาเริกดบีนะอันนี้ก็ตรงกับบทที่้าเจียนตัว เวลาโยมโก้มรับน้ำพระพุทธม น, นต์พระกุเชียนโตเกินในข้อความที่เจรโตมันไม่มีอะไรเจโตโพธิามูลเลสักยานังนันทิวัตนโนเนี่ยพรเจ้าได้จะสรู้ภายใต้ต้นประศรีมาโพดได้สร้างความชื่นชมโสมนัสให้แก่ราชวงศ์สักยะเป็นอย่างยิ่ง แต่ก็พูดถึงเลือกดียามดีขณะดีครูดีอยพฤติการกระทำดีลำดีตอนใดเนี่ยตอนนั้นขณะนั้นเลือกก็ดียามก็ดีครูก็ดีขณะก็ดีเพราะการกระทำดีเนี่ยก็เรียกว่าเป็นปฏิทักษิณะเบื้องขวาซึ่งก็เป็นภาษาที่สื่อสารกันในสมัยนั้นเพราผักคุณเลือกก็คือเลือกดี แต่ไม <languages? S 2> <m shut out> ่ใช่เรื่องที่เกี่ยวกับดวงดาวนะฮะมันเป็นตัวแบบปะคุณเร่นี่ยมันกันยืมภาษาเขามาใช้ตามความเชื่อถือเขาทีนี้สมาบุคคลผู้หมดจดแล้วจะประสบปะกุณเร่ทุกเมื่อเกิดตักิเลชมันหมดเดอะก็เลิกดีตลอดสมาบุคคลผู้หมดจดแล้วรักษาโบสถทุกเมื่อเดี๋ยว z o o กระดับขึ้นไป ก็แสดงว่าทรงเห็นอุปนิสัยบารมีของท่านสุนทริกะปริภาภาลัฐวาชาพรามพระจามปกติแล้วเนี่ยจะทรงแสดงระดับสีห่าเป็นหลักแต่นี้ก็ทรงยกขึ้นไปถึงสีสน้ำโบสดมันมีความประนีตขึ้น เป็นการกำกับควบคุมการมราคะสูงขึ้นตระนเว้นจากปราราฏิบาตดเว้นจากการโถสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้โดยการแหงขโมยงดเว้นจากการมีเพศสัมพันธ์แต่จับตัวอจาจจะต้องเนื้อต้องตัวกันได้นะครับเพศตรงกันข้ามในฐานะที่เป็นอาคาริยบิ น, นัยคือบินัยของผู้ครองเรือน แต่กมันเบิ่งาการพูดเท็จเบิ่งจากการดื่มสุราและไม่ไรตอนนี้เราเห็นว่ามันก็ต่างจากศีลห้าที่ข้อที่สามถึงข้อที่สามมันมีเพศสัมพันธ์ได้ระหว่างสามีภัญญาบทบัญญัติห้ามในศีลห้ามันบัญญัติห้ามในกรณีที่ไปละเมิดคู่ครองของบุคคลอื่นแต่สี่บัวสดสี่แปดนี่ห้ามหมด ไปมีเพศสัมพันธ์ไม่ได้แม้แต่คู่ครองของตนเองแล้วข้อต่อไปก็คืองดเว้นจากการบริโภคอาหารในเวลาวิจา์อาหารประเภทที่เรียกว่าเป็นยา ว, ว่าการลิกคืออาหารที่รับประทา น, ไ ม, นมไม่ใช่เป็นพวกเครื่องดื่มไม่ใช่เป็นพวกเดยใสเน้อคนน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อย พวกเครื่องดื่มนั้นเคาเรียกยามะกาลิกพวกน้ำมันน้ำพึ่งน้ำอ้อยเป็นพวกเซราสตากาลิกคือพระรับประเขนไว้ก็กินได้ตลอดเจ็ดวันมันเป็นเงื่อนเวลานะฮะแต่สมัยนี้เราเห็นว่าของเันเก็บข้าวตู้เย็นได้แล้วแต่ก็ประเภทหนึ่งเป็นยาอวชีวิต คือบริอพวกได้จนหมดนับอายุของเขานะไม่นับอายุเราก็หมายความว่าทารษาอุโบสถก็หมดจดด้วยอุระดับอุโบสถตสีนี่หมดจดทุกเมื่อมันกันประเจ็นว่าอุโบสถตสีนี่การมราคะาต้องลดลงไปเยอะมันตัดไม่ไปมีเพศสัมพันธ์ และตัดกระแสอารมณ์ที่กระตุน้นกามราคะเพราะว่าการบริโภคอาหารในเวลาวิการก็ดีการขอดฟอนรำขับร้องประโคมดนตรีดีสีดีเปล่าหรือว่าดูการเล่นต่างๆก็ดี ต, ตอลอดการประดับประดาร่างกายด้วยระเบียบดอกไม้ของหอมเครื่องย้อมเครื่องทาเครื่องประทินผิวต่างๆแล้วก็าาการนอนบนที่นอนสูงใหญ่ ไปในมมนุและสมรีเนี่ยเป็นการปิดกั้นไม่ให้จิตไปสัมผัสอารมณ์ที่กระตุ้นกามราคะคือเกิดความยินดียินดีในความสุขทางเนื้อหนังยิ่ ง, งขึ้นไปซึ่งทำให้กากับควบคุมไว้ก็อาจจะผิดศีลที่ข้อที่สามมันเป็นการบริสุทธิ์ระดับอุโบสถแต่ศีลได้ยันลืมนะฮะเว่ อ, อจริงๆงก็คนลึกนะฮะบริสุทธิ์ได้เยอะ วัดของบุคคลผู้หมดจดแล้วมีการงานสะอาดคือการปฏิบัติตนของบุคคลที่หมดจดเนี่ยมันค่าถึงใจเพราะการกระทำก็สะอาดการพูดก็สะอาดจิตใจก็สงบพอถ้าใจสงบแล้วมันก็พูดสะอาดทำสะอาดทีนี้การพูดไม่สะอาดการทำไม่สะอาดาแสดงว่าใจไม่สงบ เพรานี้จึงเป็นปัจจัยของกันและกันท่านบอกว่าย่อมถึงพร้อมทุกเมื่อคือหมายความมาดํารงชีวิตด้วยความสะอาดตลอดรับสั่งเป็นการให้สติตักเตือนแก่ท่านสุนทริกะปริภ า, ภารัตวาชาพรามว่าดูกองพรามท่านจงสนานในคําสอนของเรานี้เถิดจงทางความกเกษมในสัตว์ทั้งปวงเถิด ทำความกเกษมก็คืออย่าเบียดเบียนประทุสรายสัตว์ทั้งหลายเป็นการพูดระดับศีล น, นะฮะแต่ทีนี้ถ้าความกเกษมในตัวเราเนี่ยไปโน้นเลยนะฮะผลก็ศีลสมาธิผลก็ปัญญาจนถึงกับเกษมจากกิเลสต้ น, ตนกเกษมที่สมบูรณ์ไม่ได้เกษมจากโยคะภายในใจไม่มีกามโยคะไม่มี เพราะว่าโยคะไม่มีที่ติดโยคะไม่มีวิชาพูดง่ายๆไม่มีกิเลสที่ท่านที่พระเจ้าทรงแสดงมงคลสูตรในข้อสุดท้ายนี่ยพุทธสโลกธรรมเนสิเวลาสัมผัสกับโลกธรรมกุลาบยศสรรเสริญสูงด้วยเสื่สอมลาบเสื่อมยศนินทานทุกตัวใหญ่เลย จิตใจจะไม่หวั่นไหวอสุกังคือไม่โศกวิริังจิตจะปราดจะจากทุรีคือกิเลสเขมังในจิตเปเกษมตรงเนี้ยคือแสดงว่ากิเลสมันหมดไปตั้งแต่มงคลข้อชุดชุดบนที่อบอกว่าตาโปาาจะจะพระาจริยันจะเรียสัจญานรัสนังใ น, นิบานันสัจจิกริยาจะอิตมังคละมุตมัง ตรงนี้เป็นหลักการปฏิบัติที่ทำให้เกิดความบรสุดหมดจดเป็นมัจแต่ข้อสุดท้ายนี่มันเป็นนิโรธเพราะนั้นก็ทำใจให้เกษมก็คือทำใจเมตตากรุณาเมตตาเบกขาเพราะว่าอย่าลืมนะมันสืบต่อมาจากเมตตากรุณาเมตตาเบกขาพ้าท่านไม่ไม่กล่าวคำเท็จไม่เบียดเบียนสัตว พูดง่ายๆว่าถ้ากายท่านสุดจริตวจีท่านสุดจริตแล้วก็ทรงขยายนะทรงขยายไปในศีลเราจะเห็นว่าเป็นการเริ่มชี้ที่สัมมาวาจา ก, ก่อนมันก็เป็นลักษณะาทางฉันที่ต้องการถี่ค่ารสส า, ารูร้เลาหุแต่ในขณะเดียวกันมันก็สอดคล้องกับองค์เรยียมาัต พระองค์มักยมรุษแสดงสมาวาจาก่อนสมากมันตะราสั่งว่าถ้าท่านไม่กล่าวคาเทศที่ไม่เบียดเบียนสัตว์คาเทศเนี่ยมนสร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนเองหรแก่บุคคลอื่นคือตนไม่เห็นบอกว่าเห็นไม่ได้ยินบอกว่าได้ยินไม่ได้ทราบบอกว่าทราบไม่ได้รู้บอกว่ารู้มันโกหกทั้งตัวเองและโกหกต่อบุคคลอื่น ทีนี้ตนได้เห็นได้ยินได้ทราบแต่รู้มาแต่พูดเกินจริงไปหรือกลบเกลือนปกปิดเรื่องบางเรื่องเอาไว้นั้นก็แสดงว่าขาดความสุจริตใจในขณะเดียวกันก็ลดเว้นจากการเถือสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ก็หมายความว่าลดเว้นจาก ต้นทุนรายต่อชีวิตทรัพย์สินและก็คู่ครองอย่างทธิบอเป็นผู้มีความเชื่อคือมีศรัทธาเชื่อมัน่นเชื่อมั่นในไรเชื่อมั่นในกฎของกรรมเชื่อมั่นในผลของกรรมเชื่อมั่นในการทิ่ัทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนและเชื่อมั่นในการพระปัญญาเครื่องศัตรูของพระพุทธเจ้า ติณไม่จะหนีเนี่ยไม่จะหีที่จริงมาเป็นบทพิสูจน์มันพิสูจน์ถึงศรัทธาเพาคุณลักษณะของคนศรัทธาเนี่ยมันจะขจัดความเจตนีออกไปเพราะว่าศรัทธาเป็นปฏิบัติต่อความเจตนีแล้วคนที่มีศรัทธาก็พิสูจน์ตัวเองว่าเนือใครพบหาสมาคมกับผู้มีศีล สองพอใจยินดีชอบใจในการฟังพระธรรมสามพยายามกระจัดมูลทินคือความต่เนี่อกไปจากใจนี่ก็เรียกว่าเป็นคนที่มีศรัทธารับสั่งว่าท่านยังต้องไปยังแม่น้ำขยาทำไม แม่น้ำขยะก็ที่จริงก็แม่น้ำในรันชรานั่นแหละแต่ว่าอยู่ช่วงที่ผ่านเมืองขยะก็เรียกว่าแม่น้ำขยะที่พระเจ้าทรงสแสดงอธิตประยายสูตรแก่ปุราณนชิดินนะครเป็นที่ตั้งอาสมของท่านขยะศีสะเป็นที่ตั้งอาสมของท่านขยะกัสสปะแม่การดื่มน้ำในแม่น้ำขยะก็จะช่วยอะไรท่านไม่ได้ ยูไม่ต้องอาบไม่ต้องไปไม่ต้องอาบแม้แต่ดื่มเนี่ยมันก็ช่วยอะไรไม่ได้เรอาอย่าลืมม่าคํำมัช่วยไม่ได้ในที่นี้ไปยึดโยงอยู่กับเรื่องชำระล้างบาปไม่ใช่น้ําที่ดื่มช่วยอะไรไม่ได้มันช่วยหายกระหายน้ําได้แต่ช่วยล้างบาปไม่ได้คือประเด็นที่ตั้งขึ้นเนี่ยมันจะไปผูกโยงอยู่กับเมตตากรุณาโมติตาเบกขาทั้งหมด ทีนี้เมื่อพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงอย่างนั้นท่านสุนทะลิกะปริภารัตวาชาพรามคือตระกูลเนี้ยตระกูลนี้เป็นเป็นตระกูลที่เขาบอกว่านินสัยดุดุแล้วก็อย่างวุ่นวายเขาบอกว่าลำดับชั้นนะชั้นของวันนะพรามเนี่ย ท่านัญชานีโคดเนี่ยเป็นโคดที่สูงสุดภารัทวาชะเนี่ยเป็นโคดที่ต่ำสุดแต่บทบาทของคนะกุลนี้จะเยอะมากในศาสนาพุทธมียชุดหนึ่งที่ไปด่าพระพุทธเจ้าคนหนึ่งไปถามปัญหากระทบคนหนึ่งไปถึง ก, ก็ด่าคนหนึ่งไปจะด่าด่าไม่ออกพระโกรธพระพุทธเจ้า แล้วผลสุดท้ายก็เกิดศรัทธาเลื่อมใสใ น, นพระเจ้าก็ออกบวชไดท้ทั้งหมดมันเป็นตระกูลที่น่าที่น่าสนใจแล้วก็ทุกวันก็ยังมีชื่อเรียกนะฮะพระาละตะวราชเนี่ยแล้วบางครั้งบางคราวคลาว้คลายๆกับมันเป็นสัรพนามเรียกพราหมณก็มีเราเจอบ่อยที่พระเจ้าเรียกว่าพราละตะวรา ก็โดยชื่อเขาที่จริงก็เป็นอย่างอื่นแต่ก็รับสั่งเรียกพรารัตวราชาก็แสดงเรียกโคดเขาครั้นพระผู้มีพระเจ้ า, าจัดอย่างนี้แล้วสุนทลิกะไปาพาพาพาลัตวราชาพราหมณ์เนี่ยก็ได้กราบทูลพระผู้มีพระเจ้าบ่าขาแต่พระองค์ผู้เจริญภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งนักข้าแต่พระโคดมผู้เจริญภาษีของพระองค์แจ่มแจ้งนัก แต่ตรงนี้เป็นเรื่องที่น่าสังเกตฮะว่าการสรรเสริญพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าในพระสูตรต่างๆเท่าที่พบมาใช้ข้อความเหมือนกันมันใกล้ๆจะเป็นสูตรอะไรชอบกค น, นในสมัยนั้นนะ่ะมันมีอะไรเป็นสูตรเป็นสูตรเป็นสูตรเช่นคำดาเขาก็เป็นสูตรนะฮะเท่าที่พบมีอยู่สามสูตร ดาบางอย่างนี่ดาแล้วไม่เข้าใจเลยฟังไม่เข้าใจดาบางอย่างก็หยาบคลายด้ยเกิดดาบางอย่างก็เป็นเรื่องกระทบกระทบก็เทียบเปรียบเลยทางการสรรเสริญมัมธ ร, รมเทศนาในสรรเสริญเป็นสูตรแต่มันก็บ่งบอกว่าธรรมะเป็นขอมอยู่ก่อน พระเจ้าสรงค้นพบและมันม่นํามาเปิดเผยชี้แจงสแสดงแก่โกลกพ้นอุปมาในจะเห็นอย่างนั้นท่านบอกว่าเหมือนอะไรเหมือนงายของที่คว่ําซึ่งหมายความว่าของนั้นมีอยู่แต่เราไม่รู้ว่ามันมีอะไรพอคว่ำไ้พระเจ้าก็มังงายขึ้นมาให้ดูแล้วก็เปิดของที่ปิด เขานั้นก็มีอยู่แล้วอยู่ตรงนั้นแหละแต่ไม่รู้เป็นอะไรนะพระเจ้าก็มาเปิดให้เปิดให้ ร, รู้แล้วก็บอกทางไอ้คนหลงทางทางก็มีอยู่แล้วแต่ก็เดินผิดพระเจ้าก็ชี้บอกคุณทางให้โดยซองมาที่ในที่มืดโดยคิดว่าผู้มีจักสุจักเห็นรูปดังนี้ฉันใด หมายความสถานที่มีอยู่แล้วแต่พอดีมันมืดตาเขาก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอกแต่ว่าพอดีก็มันมืดมองไม่เห็นพระเจ้าก็ส่งสองประชีพเข้าไป็กิ้คนมีดวงตาในี่ได้เห็นแสงแล้วก็ บ, บอกว่า พระโคโดมผู้เจริญทรงประกาศธรรมโดยอเนกกระปรยายฉะนั้นเหมือนกันก็แต่ท่านพระโคโดมครับพระองค์นี้ขอถึงท่านพระโคโดมพระธรรมและพระสงค์มาเป็นช น, นะข้อความตรงเนี้ท่านตาผู้ฟังสังเกตนะว่าการแสดงตนเป็นพุทธมามะกะพุทธมามิกาที่เราใช้กันอยู่ทุกวันเนี่ยเอาข้อความตรงเนี้ยมาใช้ เพียงแต่ว่ามันเปลี่ยนแปลงข้อความบางคำเอสาหึงพันเตสุจิระปรินิปุตมปิตังภควันตังสรนังกชามิธรรมันจะสังขันจะพูดุทธมามิกะติมังสังโฆทาเรตุอัจตเกปานุเปตังสรนังกตัง บอกว่าข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระพุทธเจ้าแม้เสด็จปรินิพานนานแล้วพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ทีนี้ตัง้งมาตับพระสงฆ์เพราะว่าพระพุทธเจ้านี้ผ่านแล้วนะขอพระสงฆ์จงจำข้าพเจ้าไว้ว่าเป็นพุทธมามิกะพุทธมามกาพุทธมามิกะผู้ถือว่าพระพุทธเจ้าเป็นของเราตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จ, จะตัเยปานุเปตังสนังกตังเกิท่านทรงจํำข่าวเจ้าว่าเป็นพุทธมามกะพุทธมามิกาเนี่ยตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปแต่พระรตวาชาพรามเนี่ยท่านท่านกราบทูลต่อพระพักปวนก็ไม่ได้ชินิ้ขึ้นคําว่าเอสาหังพันเตไม่ขึ้นคําว่าสุจิราปิณิบุตัมปิแต่ว่าหังพันเตนะแล้วก็ขึ้นเลย ตั้งประกันต่างสนังกรชามีรร ม, มันจะนะสังคันจะเว่า น, นั้นก็เรียกว่าท่านไม่ได้ไม่ได้หยุดอยู่ตรงนี้นะไม่ได้ยุดอยู่ที่เป็นอุปสงค์มันจะทารงจนถึงก็ขอออกบวชเลยเพื่อดูว่าเนื้อหาสาระเนี่ยมันพูดประเด็นเดียว พูดประเดม็มเรื่องแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อว่าล้างบาปได้หรือไม่แล้วส่งใหุ้ผลปฏิเสธก็เกิดสตาร์เริ่มใสวันสแสดงพื้นฐานติดกันสูงมากฟังแล้วก็เห็นทะลุบุกโปร่งเพราะงั้นจริงขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นชนะแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ขอเป็นปอุปสมบท บ่ฆ่าพระองค์พึงได้บรรพชาอุปสมบทในสำนักของท่านพระโคดมพูดเจริญแต่นั้นก็ได้บรรพชาอุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคก็บำเพ็ญเพียรออกไปบำเพ็ญเพียรไม่นานนะนี้ก็เป็นเรื่องเล่านะฮะทีนี้จุดสําคัญนหนึน่งพระธรรมปฏิบัติของพระพุทธเจ้าก็ดีของพระหรตัต้งหลายก็ดีนี่เหมือนกันคือใช้คําเหมือนกัน เป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวก็มีตนส่งไปแล้วแลวอยู่คือมันมีใจเด็ดเดี่ยวมากหนักเอาเบาสู้ไม่หวั่นไหวต่ออุประสรรคอันตรายต่างๆเพราะนั้นธรรมาตัวนี้เราจะเห็นว่ามันมีหลักสาคัญสติสัมปญญาความเพียรไม่ประมาทก็คืออยู่ยังมีสติความเพียรก็คือความเพียร นะมีจิตใจเด็ดเดียวก็คือมีสัมมชัญญะมีความมุ่งมั่นมีอธิษฐานะก็แล้วแต่จะเรียกมีจิตตะก็เยอะก็แล้วแต่จะเรียกคำวาา่าใจเด็ดเดียวเนี่ยแต่หมายความว่าใครจะโยกคลอในหวันไหวไม่ได้ก็ไม่ช้าไม่นานก็ทำให้แจ้งซึ่งที่สุดแห่งพรหมจรรย์นี่เป็นจำนวนภาษาบาลีนะฮะคื อ, คอท่านจะเล่าในลักษณะนี้คือข้อความตัวนี้ที่จริงแล้ว เป็นเรื่องที่พระอนุนท์ท่านเล่าแต่เล่าตั้งแต่ขอบันประชามาเนี่ยท่านท่า น, ท, นที่จริงตั้งแต่ ส, ส่งสนเสรินะฮะตั้งแต่สัเสริญเนะี่ยเป็นข้อความที่พระสังกิตติกาจารย์ท่านเล่าในข่าวสังขยนาก็ในที่สุดท่านก็กลายเป็นพรานรูปไรรุดหนึ่งจํานวนก็บอกว่า ก็ได้ทำให้แจ้งที่สุดแต่งพรหมจันทร์ไม่มีทำอื่นยิ่งกว่าที่กุ่บุตรทั้งหลายผู้มีความต้องการออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพจิตโดยชอบเข้าถึงอยู่รู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจันร์อายุจุดแล้วเหมือนกันนะหรือตรงนี้จะเหมือนกันทุกแห่งคือ ย, ยันที่เคยยกตัวอย่างว่ามันเหมือนแม่น้ำร้อยสายเนะี่ยอย่างบ้านเราเขาว่ายี่สิบห้าลุ่มน้านะ แล้วลงทะเลด้วยกันเสที่หน้าน้อยใจก็คือว่ามันบุกรุกแม่น้ำแล้วก็ถมแม่น้ำจนแคบจนตื้นเขินไปเสียเอยอะเลยคนเห็นแค่ตัวเยอะนะฮะพวกนี้คิดว่าตัวเองจะอยู่ค้าฟ้าได้ไงก็ไม่รู้เกิดมาใส่แผ่นดินได้ชั่วคราวพยายามกอบโกยตักตัวเพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง ทางทางที่เป็นผู้อาศัยด้วยกันเหมือนคนอื่นต้องทางต่งหลายโดยข้อความในพระสูตรจริงๆเนะี่ยกระจบแต่ว่ายังมีประเด็นอยางคิดว่าเออตกถาจะจะจะยาวมากแต่ว่าจะสรุปประเด็นอนตกถาเพื่ออธิบายขยายข้อความที่ยากอีกัอีกสักครั้งหนึง